ไปกินข้าวเผลอกี่ครั้งนึก อ, ออกไหมใครถึงร้อยแล้วเผลอร้อยครั้งเก่งนะเผลอครั้งเดียวไม่ได้เรื่องนะ mm. การปฏิบัติจนะว่ายากก็ยากนะเพราถ้ามันง่ายคนหูบันรู้มักผลไปหมดแล้ว จะว่ามันยากมันก็ไม่ยากเท่าไหร่จะว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่อยู่ที่คนถ้าใจเรามุ่งมั่นเชื่อพ้นทุกข์จริงๆแล้วเรารู้วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ก็ต้องเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริง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 เพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นทำเสร็จแล้วหมดแล้วไม่มีกิจอย่างอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นที่จะต้องทำอีกในพระไตรปิฎกจะมีหลายที่ที่ท่านสอนเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดนคลายความยึดถือเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิตที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิดอื่นกิตอย่างอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้คือเพื่อความหลุดพ้นนะี่ไม่มีงั้นเส้นทางที่จะไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะี่มันเริ่มมาจากการเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นมันเป็นยังไงมันเป็นไตรลักษ ความจริงของร่างกายก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความจริงของจิตใจนั่นนำมารมอื่นๆที่เกิดร่วมกับจิตอย่างความสุขความทุกข์ความดีความชั่ว เ, เป็นนมามธรรมที่เกิดร่วมกับจิตศัพท์ทางวิชา ก, การเรียกว่าเจตสิกจิตเจตสิกรูป น, นิพพานมีสี่สภาวะตัวที่จะใช้ทามิปัสสนาคือจิตเจตสิกรูปรูปคือตัวกายนี่แหละ ตัวจิตเป็นตัวรู้เจตสิกเป็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เกิดร่วมกับจิตอย่างเวลาโกรธเนี่ยจิตเป็นคนรู้ว่าโกรธความโกรธไม่ใช่จิตความโกรธเป็นสิ่งที่มาเกิดร่วมกับจิตจิตเป็นตัวรู้จิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เวลามีราคะขึ้นมาราคะไม่ใช่จิตราคะเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตนั่เจตสิกจิตเป็นคนรู้ นะียจิตมันกัจเจตสิกมันเกิดด้วยกันอยู่ด้วยกันเราเรียนรู้ความจริงนะพอเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายความจริงคือไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ของอะไรไตรลักษณ์แสดงอยู่ที่รูปที่นามเท่านั้นไม่แสดงอยู่ที่อื่นสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณนะ์จิตเป็นคนรู้อารมณ์อารมณ์มีสอย่าง คือมีรูปมีนามแล้วก็มีนิพพานแล้วก็มีอารมณ์บัญญัติอารมณ์บัญญัติก็คือเรื่องราวที่เราคิดนึกขึ้นมาอารมณ์บัญญัติใช้ทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะไม่มีไตรลักษณ์อย่างเรานั่งคิดทั้งวันไปเรื่อยๆไม่มีวันจบอ่ะหาที่ตั้งต้นไม่เจอหาที่สิ้นสุดไม่เจอเลยนิพพานก็ไม่มีไตรลักษณ์นิพพานมีเอกลักษณ์มีลักษณะอันเดียว คือสงบสันติเป็นอนัตตาเป็นอนัตตานิพพานไม่มีอนิจจังไม่มีทุกขงังเพราะนิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงนิพพานเป็นบรมสุขเพราะงั้นไม่มีอนิจจังทุกขงังนิพพานมีอนัตตาสิ่งที่มีตรลักก็เหลือแต่แค่รูปธรรมกับนามธรรมรูปธรรมก็คือกายนี้เองนามธรรมเนี่ยแยกเป็นสองส่วน คือนามจิตกับนามเจตสิกจิตเป็นคนรู้เจตสิกเป็นความรู้สึกต่างๆที่เกิดร่วมกับจิตอย่างความดีทั้งหลายเนี่ยเป็นเจตสิกความสุขความทุกข์ความดีความชั่วพวกเนี้ยเป็นเจตสิกความสงบความฟุ้งซ่านเป็นเจตสิกจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงนะว่าจิตเจตสิกรูป มันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอ น, อาตานัตตาจิตจะเริ่มเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วหลุดพ้นไม่นจะหลุดพ้นเป็นลำดับลําดับไปเบื้องต้นมันจะหมดความยึดถือในร่างกายก่อนถ้าหมดความยึดถือในร่างกายจะเหลือแต่ความยึดถือของจิตความยึดถือในร่างกายพอหมดไปเนี่ยเป็นภูมิจิตภูมิธรรมของพระอนาคามีถ้าหมดความยึดถือจิตเป็นภูมิธรรมของพระอรหันต์คนละขั้นกัน เงื่อนเรื่องจิตในเรื่องสำคัญแตกหักกันลงที่จิตนี่เองทำยังไงเราจะสามารถเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงหรือทำยังไงจะเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ได้เราต้องมีเครื่องมือสองตัวตัวที่หนึ่งคือสติเป็นตัวคอยรู้ทันกา ย, ยรู้ทันใจร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้จิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้เพราะงะั้นอย่างที่เราดูท้องพองยบนะเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้อย่อยางนี้ เนี่ยสติลงไปรู้นะแต่ตรงนั้นสมาธิไม่ถูกต้องเวลาเราไปดูท้องพองยุบนะั้นจิตเราไหลลงไปอยู่ที่ท้องเรียกว่าจิตลงไปตั้งแช่อยู่ที่ท้องจิตไม่ได้ตั้งมั่นสมาธิที่ดีคือจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะเห็นร่างกายนี้หายใจนะจิตเป็นคนดูแล้วมันก็จะเห็นต่อไปร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวทุกข์ท่านั้นเองไม่มีอะไรหรอกมีแต่ทุกข์เกิดขึ้น มีแต่ทูกตั้งอยู่มีแต่ทูกข์ดับไปการเห็นตามความเป็นจริงได้นะมีเครื่องมือสองตัวสติเป็นตัวรู้กายรู้ใจนะสมาธิทําให้ใจตั้งมั่นสมาธิไม่ได้แปลว่าใจนะสมาธิก็เป็นเจตสิกตัวหนึ่งมาประกอบกับจิตทําให้จิตดวนี้ตั้งมั่นเป็นคนดูนะจิตทําหน้าที่เป็นคนดู พอจิตทําหน้าที่เป็นคนดูกายมันทํางานมันก็จะเห็นกายอย่างที่กายเป็นจิตทําหน้าที่เป็นคนดูจิตใจของตัวเองทํางานไปนะเพื่อเห็นจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตเป็นคนดูอยู่นี่จะเห็นเราจะเห็นสภาวะทั้งหลายแสดงไตรลักษณ์ได้จิตต้องเป็นคนดูถ้าจิตเป็นผู้แสดงจะเห็นไม่ได้อย่างร่างกายเนี่ยพอร่างกายแก่จิตเป็นทุกข์ ร่างกายเจ็บจิตเป็นทุกข์ร่างกายจะตายจิตเป็นทุกข์เนี่ยจิตมันเรียกว่ามันเสือกเสือกมันเสือกรู้จักไหมร่างกายไม่ใช่ตัวมันซะหน่อยร่างกายไม่เคยบ่นเลยเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไม่เคยบ่นเลยรู้สึกไหมร่างกายเงียบเงียบร่างกายไม่พูดหรอร่างกายเป็นคนพูดได้นะแต่ร่างกายไม่พูดเลยจิตต่างหากล่ะที่วุ่นวายจิตน่ะเข้าไปแทรกแซง ทนไม่ได้ที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายทนไม่ได้ที่กระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจอันนี้เป็นเรื่องทางใจแล้วนะหิวโหวยอยากได้อารมณ์ที่ชอบใจนี่เป็นเรื่องของจิตทั้งหมดเลยนะไม่ใช่เรื่องของร่างกายนะจิตเองเป็นคนที่เข้าไปไปแทรกแซงไปเสือกนะเสือกทุกเรื่องสาทรอนะ ท, ทุกเรื่องใครเคยเห็นตรงนี้บ้าง เนไเวลาความสุขผ่านมานะจิตก็โดดตะครุบเลยนี้ความสุขของฉันความสุขไม่ใช่ของใครหรอกความสุขมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปความทุกมาจิตก็ยุ่งอีกนะอุ้ยไม่เอาไม่เอาจิตเข้าไปแทรกแซงคือไปตันมันจิตนันชอบแทรกแซงไปรู้รูปก็แทรกแซงรูปไปรู้นามก็แทรกแซงน้ำแทรกแซงไปทั่วมันไม่ยอมเป็นผู้ดู มันจะยอมเป็นผู้ดูได้จิตตั้งมั่นฝึกจิตให้มเป็นคนดูวิธีฝึกจิตให้เป็นคนดูก็คือฝึกให้มันมีสมาธิชนิดตั้งมั่นทำกรรมฐานสอย่างหนึ่งนะแล้วพอจิตมันเคลื่อนไปหรือจิตมันทํางานอะไรขึ้นมารู้ไปเรื่อยๆนะอย่างบางทีนั่งๆอยู่นะเห็นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นใจมันฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่าน จิตไม่เคยฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านไม่ใช่จิตมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าะจิตไม่เคยฟุ้งซ่านเพราอนจิตมีหน้าที่รู้เท่านั้นเองนี่พอความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นจิตมันไม่แค่รู้ความฟุ้งซ่านมันกระโดดเข้าไปวุ่นวายกับความฟุ้งซ่านด้วยใช่ไหมมันเข้าไปแทกแสงเนี่เราจะฝึกจนจิตมันเลิกยุ่งกับคนอื่นมันทาตัวเป็นคนดูจริงๆแล้วมันจะได้เห็นร่างกายนี้จริงๆเป็นยังไงจิตใจนี้จริงๆเป็นไง เห็นโดยที่ไม่เข้าไปแทกแซงค่อยๆฝึกไปพอเรามีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูนะอันนี้เรามีสมาธิที่ดีแล้วจิตตั้งมั่นเป็นคนดูวิธีฝึกทำสมาธิทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดอะไรนีค่อยรู้ทันบ่อยๆพอเรารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นคลอนแคลน เบียงไปเบียงมาทันทีที่รู้เท่านั้นเองจิตตั้งมั่นอัตโนมัติละเพราะจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นจีตอกุศลทันทีที่มีสติรู้ทันอกุศลจะดับอัตโนมัติเพราะอกุศลไม่เกิดร่วมกับสตินะอกุศลไม่เกิดร่วมกับสติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีอกุศลเมื่อไรมีอกุศลเมื่อนั้นไม่มีสตินั้นจิตที่ฟุง้งซ่านในจิตอกุศลนั้นเรามีสติรู้ทันว่ามีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้น ความฟุ้งซ่านจะดับทันทีนะจิตจะตั้งมั่นทันทีนอะันนี้คือวิธีที่จะฝึกให้ได้สมาธิชนิดตั้งมั่นมีสองวิธีนะอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายวิธีที่ยากคือเข้าชานหลวงพ่อไม่สอนอย่างละกันหน้าตาพวกเราเข้าชานลำบากฟนะุ้งซ่านสมาธิอ่อนไว้คนไหนสมาธิดีจริงๆอยากเรียนพร่จะสอนให้หลวงพ่อ มีลูกศิษย์ที่เดินไปในแนวของสมาธิเนี่ยสองคนเองพวกเรามีเป็นหมื่นๆ น, นะมีอยู่สองคนวนี้เล่นเดินปัญญาในฌานกันของเราเข้าไม่ได้เราไม่เป็นนั้นเราก็ใช้วิธีที่ง่ายๆสำหรับคนที่เข้าฌานไม่ได้ใช้วิธีมีสติรู้เวลาจิตฟุ้งซ่านคือคอยรู้เวลาจิตมันไหลไป จิตน่ะไหลได้หกช่องไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไหลบ่อยที่สุดคือไหลทางใจไหลทางใจที่มีมากที่สุดคือไหลไปคิดเวลาปฏิบัติเกาไหลไปเพ่งมันไหลไปได้สองอย่างนะเวลาไม่ได้ปฏิบัติเก็ไหลไปคิดเวลาปฏิบัติเกาไหลไปเพ่งเช่นรู้ท้องพองยุบจิตก็ไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจขยับมือจิตไหลไปอยู่ที่มือหนึ่ง อย่างนี้จิตมันไหลไปเรียกว่าจิตไม่มีสมาธิที่ดีพรอจิตไหลไปนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวทําสมถะได้นะแต่เป็นวิวปัสนาไม่ได้วิปัสนาจิตต้องเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูความสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นจิตเป็นคนดูจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปทางทวารทั้งหตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตเป็นคนดูแนะต้องมีจิตเป็นคนดูถึงจะใช้ได้ จิตจะเป็นคนดูได้ถ้ามีสมาธิตั้งมั่นวิธีให้ตั้งมั่นคือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้อะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตไม่ใช่ไปรู้อารมณ์กรรมฐานนะอารมณ์กรรมฐานเป็นแบ็กกราวน์เป็นฉากหลังเพื่อจะสังเกตจิตเวลามันเคลื่อนที่เท่านั้นนี่นจะดูง่ายเนี่ยพอเรามีสติสติเกิดจากจิตเห็นสภาวะบ่อย นะอย่างบางคนขี้โกรธเงี้ยโกรธแล้วรู้โกรธแล้วรู้ไปเรื่อยๆต่อไปพอโกรธ ป, ป, ปุ๊บมันจะรู้โดยไม่ต้องเจตนารู้อย่างนี้เรียกว่าสติเกิดละสติเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นนะสมาธิเกิดจากความสุขแตนะ่มีความสุขมีความสบายใจอย่าเครียดในการปฏิบัติถ้าเครียดแล้วสมาธิไม่เกิดแต่นะสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยรู้ไปจิตไหลก็รู้จิตไหลก็รู้รู้มันอย่างสบายใจไม่ต้องไปโกรธมันนะ พอรอย่างสบายใจปุ๊บจิตจะตั้งมั่นขึ้นอนัตนมัติเลยเพราะเรามีสติมีสมาธิแล้วเราก็จเจริญบ่อยๆมีสติบ่อยๆมีสมาธิอยู่เนืองๆ เ, นะเรียกว่าเรามีสัมมาวายามะมีความเพียรอย่างต่อเนื่องถ้ามีความเพียรนะมีสติมีสมาธิสามอันนี้สุดท้ายสัมมาทิฏฐิที่เป็นโล ก, กุตละก็จะเกิดขึ้นจะเกิดมากเกิดผลนะเกิดโล ก, กุตละปัญญาขึ้น ก็จะรู้แจ้งอริยสัจ ท, ที่เรียกเรว่าเห็นตามความเป็นจริงเราจะเห็นตามความเป็นจริงอย่างทองแท้นะตอนที่โล ก, กุตตรปัญญาเกิดถ้าปัญญาอย่างพวกเรานี้ปัญญาโลกียะอยู่ยังเอาแน่นอนไม่ได้มีปัญญาบ้างปัญญามากบ้างน้อยบ้างปัญญาอ่อนบ้างปัญญานิ่มบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแต่สารพัดต้องค่อย้ฝึกไปเจนถึงโล ก, กุตตระปัญญา อันนั้นอ่ะปัญญาจริงเห็นตามความเป็นจริงแต่ตรงนั้นเห็นละวางเลยนะแต่อย่างที่พวกเราฝึกอยู่เนี่ยเหนเ็นตามควาไม่จริงแล้วจะเบื่อหน่ายเบ<ๆ>ื่อหน่ายแล้วจะคลายความยึดถือคลายความยึดถือแล้วหลุดพด้นตรงนั้นเกิมกดมรรคผลเกิดโลกุตตระะปัญญานี่ปัญญาที่เราใช้ตอนเนี้ยเราใช้วิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการเห็นเห็นะความจริงของรูปเห็นความจริงของนามคือเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนั่นเอง นี่เรียกว่าวิปัสสนาปัญญาเพราะฉะนั้นเห็นรูปเห็นนามไม่ใช่ปัญญานะเห็นรูปเห็นนามเนะ่าเห็นด้วยสติร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกอะไรอยเงี้ยสติเป็นคนรู้ปัญญาเป็นตัวเข้าใจสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใกายในใจสติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจเข้าใจอะไรเข้าใจว่ารูปนี้ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นามนี้ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ ปัญญาจะเกิดได้ต้องมีจิตเป็นคนดูเห็นรูปมันทำงานจิตเป็นคนดูถึงจะเกิดความเข้าใจว่ารูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีสติรู้การทำงานของจิตใจมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูก็จะเห็นว่าความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีจิตตั้งมั่นอยู่แล้วสติะระลึกรู้เวลาจิตมันเกิดดับทางตาหูจมูกลิน้นกายใจก็จะเข้าใจขึ้นมาอีกว่า ตัวจิตเองไม่ใช่เจตสิกนะตัวจิตเองก็เกิดดับเหมือนกันมันเกิ ด, ดับอยู่ทางทวานทั้งหกราะนั้นเราจะเห็นรูปก็เกิดดับแสดงไตรลักษ์รูปหายใจออกเกิดแล้วก็ดับรูปหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับรูปยืนเดินนั่งนอนเกิดแล้วก็ดับรูปเนี้ก็ทําไมมันต้องเกิดแล้วดับเพราะมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่มันทนอยู่ไม่ได้ถ้ามันไม่ใช่ตัวเราพอเห็นรูปทองแท้ ดูต่อไปดูเจตสิกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ต่อไปดูเข้ามาถึงตัวจิตเองจิตที่เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันสุดท้ายทั้งจิตเจตสิกรูปรวนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอรู้ท่องแท้ทั้งหมดนี้นะมันเลจะได้โล ก, กุศรปัญญาเป็นขั้นๆไปได้ตั้งแต่เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันจะเห็น รูปธรรมนามธรรมนี้นะจิตเจตสิกรูปนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจะเห็นในนี้ตัวเราไม่มีมีแต่สภาวะธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ไม่ใช่ตัวเราเวลาลองหยิกตัวเองดูหน่อยอย่าหยิกจนเนื้อหลุดออกมานะ้องหยิกพอรู้สึกเจ็บๆอะความเจ็บเป็นตัวเราไหมลองดูสิสังเกตดูความเจ็บเป็นตัวเราไหม ความเจ็บเป็นคนหรือเปล่าความเจ็บไม่ใช่คนเห่นไหมเป็นสัตว์ไหมเป็นตัวเราเปล่าเป็นตัวคนอื่นหรือเปล่าความเจ็บไม่ได้เป็นนี่พอเราเห็นสภาวะจริงๆแล้วนะใจเราเป็นคนดูอยู่นะี่จะเห็นนะความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความสุขที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่คนใช่สัตว์ใช่เราใช่เขา ความดีก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาโลภโกรธหลงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาใครเห็นความโกรธเป็นสัตว์บ้างเพี้ยนเลยนะใช่ไหมใครเห็นความโกรธเป็นสัตว์ใครเห็นความโกรธเป็นคนบ้างมีไหมความโกรธเป็นคนใครเห็นความโกรธในใจเราเป็นคนอื่นม้างไหม มันไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขานะใจตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วเนี่ยใจะเห็นเลยรูปธรรมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอันนี้เป็นปัญญาขั้นต้นๆนามาทำทั้งหลายทั้งจิตทั้งเจตสิกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาเรียกว่าละความเห็นผิดละสักกายทิฏฐิได้เป็นทัดาบัณ ถ้าสมบัตาบัณฑเขาเป็นกันด้วยวิธีนี้เห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่ใช่ตัวเราเหรอกไม่ใช่การคิดนะแต่เป็นการเห็นวิธีจะเห็นก็คือรู้มันเข้าไปจริงๆรู้สึกมันเข้าไปจริงๆเิงอย่าเมื่อกี้ได้บอกลองหยิกดูซิเราดูซิความเจ็บเป็นตัวเราไหมความเจ็บเป็นความรู้สึกต่างหากเป็นสิ่งที่รู้สึกขึ้นมาเท่านั้นเองค่อยๆดูไปนะ ถ้าเห็นตัวเราไม่มีละนั่นได้โสดาบันโสดาบันนี่เป็นปัญญาขั้นต้นนะเงินพวกเรายัางไม่ได้โสดาบันเรียกว่าขั้นไหนโสดาบันย่างขั้นต้นเลยปัญญาขั้นต้นของเรายัางไม่ใช่โสดาบันพูดไม่ถูกเลยจะพูดก็เกรงใจมันไม่มีปรรัญญายังไม่มีปัญญาจริงมันมีแต่อาหางกา รู้จักอาหารกาไหมมีแต่กูเก่งอะแต่ปัญญาไม่ได้มีจริงมีแต่ความหลงผิดว่าเก่งหลงผิดว่ามีปัญญางั้นเราพยายามดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นดูไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยความสุขเกิดขึ้นก็เห็นมันดับไปก็เห็นดูไปอย่างเงี้ยสุดท้ายปัญญามันก็เกิดว่าความสุขก็ไม่ใช่เรา ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความทุกข์ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่คิดเอานะรู้สึกเอารู้สึกเอาถึงจะใช่ได้โสดาเนี่ยปัญญาขั้นต้นพระอนาคาปัญญาขั้นกลางพระอรหันเนี่ยปัญญาเต็มที่แล้วนัอนพวกเราปัญญาขั้น ขั้นเลยว่าพูดไม่ถูกเลยไม่มีสักขั้นงขั้นของปุถุชนเราก็มีปัญญาอย่างปุถุชนพวกเราเนี่ยไม่ถือว่าขาดปัญญานะพวกเรามีปัญญาเหมือนกันถ้าเราไม่มีปัญญาเราไม่สนใจธรรมะหรอกเนี่ยเรามีบุญบา ร, รมีเก่านะมันเตือนเราให้มาศึกษาธรรมะเนี่ยพระบุญบา ร, รมีของเราไปสะสมมามีปัญญาพอสมควรนะ ถึงรู้จักเลือกเส้นทางชีวิตที่ดีเส้นทางที่จะออกจากทุกคนในโลกมีทั้งกี่พันล้านน่ยจะเกิดหมื่นล้านแล้วมัง้งมีคนที่หาทางออกจากทุกขสักเท่าไหร่มีคนที่รู้ทางที่จะออกจากทุกสักเท่าไหร่คนที่หาทางออกจากทุกมีพอสมควร น, นะมีอยู่ในทุกศาสนาอยากพ้นทุกครั้งนั้นแหละแต่ว่าไม่รู้วิธี นี่ที่รู้วิธีแล้วเหลือนิดเดียวแล้วที่รู้วิธีของการทำวิปัสสนากรรมฐานเหลือนิดเดียวแล้วในจำนวนที่มีนิดเดียวที่รู้วิธีแล้วที่ลงมือปฏิบัติมีนิดเดียวอีกน้อยลงไปอีกไงงั้นลงมือปฏิบัติแล้วมีน้อยแล้วที่บรรลุผลสำเร็จเนี่ยก็เลยเหลือไม่มากเลเหลือจำนวนน้อยจริงๆเราอยากเป็นคนส่วนใหญ่ก็ได้นะมาชาร i t y มีคนส่วนใหญ่ยังพวกสัตว์นะไปดูสิสัตว์อยู่กันฝูงใหญ่ๆนะปลาฝูงหนึ่งมีเป็นหมื่นตัวอย่างเงี้ยอยู่กันฝูงใหญ่ๆไปไหนก็ไหว้ตามกันไปไม่ต้องคิดมากตามๆกันไปคนที่ไม่มีสติปัญญาก็มีชีวิตแบบตามๆคนอื่นก็ไปเรื่อยๆเกิดมาแล้วก็ตามๆเขาไปะเขาเรียนหนังสือก็เรียนอย่างเขาเขาทํางานก็ทํางานกับเขาเขาแต่งงานก็แต่งกับเขา เขามีลูกมีหลานก็มีอยู่เขาเข้าตายก็าตายอย่างเขาอีกกนะ็แค่นั้นเองตามเขาไปเรื่อยๆคนจนํานวนน้อยหรอกอย่างพวกเราถือว่ามีบุญแล้วละ่ะมีปัญญาพอสมควรแล้วละ่ะถึงรู้จักรักษาศีลรู้จักเจริญปัญญารู้จักทําสมาธิะเป็นคนส่วนน้อยนะพวกเราเป็นคนส่วนน้อยเอา้าวคนส่วนน้อยทั้งหลายคนไหนจําเป็นส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อนดีใจอารู้ไหม อ น, นี้ใจรู้ก็ส่งใหม่ไปสิแล้วจะมาเอาไว้ทําไมยังอยากพูด่ะเห็นไหมยอยากพูดแล้วทายังไงขอาสารนมัส ก, การหลวงพ่ออยากพูดแล้วรู้ว่าอยากหรอไม่ไม่ใช่อยากพูดแล้วนมัส ก, การเอา้าพูดไปไม่ให้พูดไม่ได้คนที่ทนไม่ได้ขอแนวทางปฏิบัติค่ะที่ปฏิบัติอยู่ถูกแล้วจิตเราเปลี่ยนไปตั้งเยอะแล้วดูออกเปล่าไปฝึก ระวังอันเดียวระวังอย่าไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างปล่อยให้จิตมันเคลื่อนไหวก็ดุกระดิกกดุกดิกไปแล้วมีส ต, ติตามรู้ไปอย่างติดที่จะบังคับให้ว่างให้นิ่งอา้าตอบถูกลราทำไมรู้ว่าถูกเห็นแล้วมาถามทำไม <c oughs> เห็นเปล่าว่าจริงๆแล้วดูได้นั่นแหละการปฏิบัติ การปฏิบัติไม่ต้องถามใครมากนะดูของเราเองถ้าไม่เจอหลวงพ่อ ก, ก็ไม่ต้องถามใครดูเอานะเที่เอถามคนโน้นถามคนนี้โอ้เสียหายบางทีภาวนาอยู่ดีๆนะอย่างโยมเนี้ยภาวนาดีแล้วคือไม่ถามวัดโ น, น้นวัดนี้คนโ น, น้ค น, น, นคนนี้สักพางเดียวเขเละเลยไปไม่ถูกแล้วนั้นเราดูของเราเองเรียนรู้ที่ตัวเราเองดีที่สุดปลอดภัยที่สุด ส่วนมากชอบมาบอกว่กากัญญาณมิตรแนะนําอย่างนี้วุฒกัญญาณมิตรจริงหรือเปล่าไม่รู้ตั้งเอาเองนะ เ, เคยเส่งการรู้จกักใจที่ฟุ้งซ่านไหมรู้จักค่ะฟุ้งซ่านเก่งไหมเก่งค่ะเออนั่นแหละจุรรดอของเร า, าเพราะงั้นหายใจไปพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วก็คอยรู้ทันเวลาใจมันฟุ้งซ่านคือแค่นั้นแหละ นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เห็นชัดที่แยกกายกับแยกจิตกันชพ่อพ อ, พอชํานาญแล้วมันไม่ชัดกลิบๆอย่างสมัยแรกๆหรอกมันจะเป็นธรรมชาติแล้วที่รูกเห็นเหมือนกับจิตก็ไม่เห็นแล้วก็ใจต้องรู้อยู่ที่ไหนแล้วก็เห็นกายไม่รู้คิดเองหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะว่าใจอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยดินอ อ, ออกอยังเจ้าป่า แล้วมันจะไปเห็นได้ไงอ่ะมันไปเกย อ, อยู่อย่างเงี้ยติดแช่ใช่ไหมเออมันแช่ในกระบวนท่านี้นะนรู้สึกเปล่ามันพยายามยืดคอเขื่ไปเกย อ, อย่างเงี้ยนะให้รู้ทันมันจะค่ะจิตไม่เข้าฐานมันเหมือนกระจายใช่มันกระจายนะให้มันกลับเข้ามากลับเข้ามาแล้วมันถึงเดินต่อได้ จิตกระจายอย่างนี้ไม่เดินปัญญาต่อหรอกก็ฝึกสมาธิก็เดินสังเกตไหมจิตไม่เข้าฐานขณะนี้ยปัญหาอยู่ตรงนี้นะเพราะฉนั้นไปดูตรงนี้ก่อนสังเกตไปจิตไม่เข้าฐานแล้วก็ภาวนาของเราไปไม่ดึงฉิตคืนนะไม่ไปดึงให้มันเข้ามานะแค่รู้ว่ามันไม่เข้าแล้วเราก็ทกํากรรมฐานแล้วเราไปพุโทโธพุโทโธไปเข้าไม่เข้าเรื่องของมัน ทำพปอย่างสบายใจเดี๋ยวเดียวมันจะเข้ามาเข้ามาเองเอาผ่านไปไม่ต้องพูดแล้วถ้าพูดจะพูดไปเรื่อยๆเพราะว่าพื้นจิตเนะี่ยมันฟุง้งของโยมเนี่ยไม่ส่งคนบอกให้ก็ได้มันยังติดนิ่งอยู่นิดนึงนึก อ, ออกกี่ยังมมันมีตัวนิ่งติดอยู่ยังต้องปล่อยไม่ให้เหลือตัวนิ่ง นะมีแต่ตัวเคลื่อนไหวนะ้วไอ้ตัวจิตที่เป็นคนดูเนี่ยมันนิ่งแต่อย่าไปดูใส่มันตัวตัวผู้รู้เนี่ยนะมันนิ่งอยู่โดยตัวของมันเองแต่อย่าไปจ้องใส่มันนะถ้าจ้องแล้วมันจะเกิดตัวรู้ซ้อนตัวรู้ไปเรืได้แล้วจะสับสนภาวนาไม่ถูกเลยเราแค่แค่เห็นเนี่ยจิตมันนิ่งรู้ว่ามันนิ่งอะไรอย่างงี้ดูง่ายๆนะไม่ต้องไปดูตัวจิตที่เป็นคนรู้ว่านิ่งะไม่ต้องไปดูถ้าดูแล้วงงอะ ตื่นเต้นนะรู้ไหมปอรดรู้ไหมปอด <c oughs> ตื่นเต้นรเร า, <c oughs> ารู้เอากลัวก็รู้เอาสังเกตไหมใจมันอยากพูดไประยะระยะเวลามันอยากพูดมันมีแรงดันขึ้ น, นกลางหน้าอกกระเพิ่มมันกระเพิ่มนะ <c oughs> แค่รู้แค่เห็นนะ <c oughs> ยังขณะเนี้ประคองจิตให้นิ่งแล้วรู้สึกไหมอย่าประคองต้องป้าหานที่ปล่อยมัน จิตที่ดีนะคือจิตที่ตั้งมั่นด้วยตัวของตัวเองถ้าเราจงใจบังคับให้ตั้งมั่นเรียบร้อยอยู่จิตจะแน่นๆจิตที่แน่นๆไม่ใช่จิตที่ดีหรอกจิตที่เป็นกุศลเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ลอกไม่กรดไม่หลงนั่นคือจิตที่ดีถ้าจิตที่นักที่แน่นที่แข็งที่ซืมที่ทื่อไม่ใช่จิตที่ดี แล้วทำยังไงอยากรู้ไหมทำยังไงจิตถึงจะไม่แน่นต้องไม่ทำเราก็จะเกิดคำถามต่อไปแล้วทำยังไงจะไม่ทำเห็นสุดท้ายจะหาเรื่องทำจนได้มันถึงพาวนายากเพราะเราคิดจะทำไม่เลิกที่จริงไม่ต้องทำอะไรรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นยกเว้นเวลาฟุงสร่านขึ้นมาทำสมถะอันนี้ต้องทาสมถะต้องทานะ แต่วิปัสสนาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเข้าไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยจิตที่ไม่เข้าไปแทรกแซงนี่เป็นวิปัสสนาจริงๆถ้าจิตเข้าไปแทรกแซงคือเราไปทำอย่างนี้จิตมันตื่นเต้นก็ไม่ชอบก็แทรกแซงไปบังคับมันให้ทื่อๆอย่างนี้ไม่เป็นวิปัสสนานี่ค่อยๆดูไปอย่างนี้ออจิตไปแทรกแซงเมื่อไหร่ก็ตกจ่ก ว, วิปัสสนาเมื่อ น, นั้น รู้หรือเปล่าว่าเราเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะทราบค่ะเออดีหมูเฮงให้หลวงพ่อไม่ได้เก่งอะไรหรอกไม่ได้มีฤทธิ์อะไรแต่หลวงพ่อดูหมูเฮงก็จะเรียนถามหลวงพ่อว่าคื อ, เ, อ, อเวลาเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามออในรูปแบบอะคะ่ะอย่างอย่างอย่างเช่นที่หลวงพ่อบอกว่า เ, ออเวลาทํางานเราจะเดินไปข้องน้ําอย่างเงี้ยคือ ตอนนี้ือ บ, บางครั้งก็เวลาเดินเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเราเราจะเด็ขวาซ้ายขวาซ้ายเนี้ยไปเรื่อยๆแต่ว่าเวลาเราได้ยินอะไรเราก็จะรับรู้ว่าอ่ะคนนี้ได้ยินเสียงคุยกันหรือตาเห็นอะไรนี่ก็ก็จะรับรู้อย่างนี้พอใช้ได้ไหมคะพอใช้ได้ <c oughs> แต่ตรงที่รับรู้ไม่ใช่รู้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรนะ <c oughs> แคแ่รู้ว่า <c oughs> จิตเนี่ยวิ่งไปฝัง <c oughs> จิตสนใจไปฝังอย่างนี้ใช้ได้ ถ้าไปฟังแล้วออคุยเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยเตรียมนัดกันจะไปเที่ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ฟุ้งซ่านรูร้ว่าจิตคิดรู้ว่าจิตฟังนะฟังอะไรคิดอะไรไม่สําคัญแล้วก็ถ้าเกิดว่าเวลาอย่างอย่างที่หลวงพ่อบอกคือถ้าเกิดว่าเราเราดูตอนที่ปฏิบัติในรูปแบบอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเห็นจิต ตอนแรกก็รับรู้ในส่วนที่ว่ า, าไปไปกระทบอะไรเราก็รับรู้ไปแต่พอถึงจุดหนึ่งบางครั้งมันก็จะรับรู้ว่าเอออันนี้มันเป็นความทุกข์เดือนนี่เป็นความสุขพอเป็นความทุกข์เราก็สุขว่าอยากจะผักสายออกไปอันนี้มันทำงานต่อละนะเราห้ามไม่ได้หรอกนะจิตมันพิจารณาข้นมาโอ้ยนี่ตัวทุกข์เนี่ยแล้วมันก็เกิดความเกลียดขึ้นมานะห้ามไม่ได้ดูมันทางานไปสุดท้ายปัญญามันเกิดนะจิตไม่ใช่ตัวเรา ทํางานได้เองจุดอ่อนที่ยังติดอยู่ก็คือยังติดการกําหนดให้นิ่งอยู่ะดูออกไหมมันเป็นของเก่าที่ฝึกมายังติดอยู่เพราะฉะนั้นจิตนี่ยังไม่อิสระจริงรู้สึกไหมจิตไม่อิสระถูกเราควบคุมอยู่ค่ ะ, ะบางทีมันรู้สึกมันแน่นแต่พอเรารู้สึกว่าอะจะพอแบรบรู้ตัวปุ๊บ ก, ก็จะเอ่อคลายแล้วตรงที่คลายสังเกตให้ดีมันคลาย เพราะเราไปรู้มันแล้วมันใครหรือเราเจตนาคลาเราไปรู้มันถ้าเราเจตนาครก็คือเราไปทำอีกนะแทนที่เราจะรู้อย่างที่เป็นกลายเป็นเราเข้าไปทำอีกแล้วนะโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยระดับพวกเราเนี่ยรู้แล้วทำทั้งนั้นเนะนะมื่อวานเองสอนอาจารย์อยู่เลยนะเว่าเมื่อวันศื่นใช่ไหมจิตมันเข้าไปแทรกแซง เวลามันเห็นสภาวะนะมันยังเข้าไปแซกแซกแต่นี่เป็นธรรมดานะจะไปเลิกแซรกแซรกลกเป็นพระอรหานะเอาใครจำเป็นจะต้องส่งกันบ้านขอจำเป็นจริงๆนะข้ากลับรับ า, าการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือโยมยังติด ไม่เพลงก็เพล่เจ้าค่ะแล้ก็ฟงซานดีดีค่ะนี่อยากจะขอกรรมฐานแล้วก็แนวทางปฏิบัติเจ้าค่ะนั่นแหละดูไปแต่ปัญหาเราคือใจไม่เป็นกลางน ะ, ะรู้ดูออกไหมอ๋อ้นั่นแหละปัญหามีข้อเดียวะอะหนูเห็นสภาวะแล้วล่ะสภาวะอย่างนั้นอย่างนี้จิตไปทำอะไรหนูมองเห็นแล้วค่ะเพียงแต่จิตมันไม่เป็นกลางให้รู้ทันว่าไม่เป็นกลางไม่ต้องทำให้เป็นกลางนะ คำว่าทำเนี่ยโยนทิ้งไปเลยมะให้รู้าว่าไม่เปลี่ยนกลางนั่นแหละติดอยู่ตัวเดียวเลยแล้วเรื่องสมาธิจะเข้ามนหนุนไม่ค่อยมีกำลังไม่ค่อยพอกำลังไม่พอแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบทุกวันหรือไม่ก็เวลาไม่ได้คิดเรื่องอื่นนะไม่ต้องทำงานที่ต้องคิดนะพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธพุทโธไปพาให้จิตมันคิดพุทโธ ถ้าเราไม่พาจิตไปคิดพุทโธมันก็แอบไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปนี่พอเราคิดพุทโธพุทโธแล้วจิตสงบอยู่นะเดี๋ยวจิตค่อยมีแรงขึ้นมาเคยเป็นพูดบริกรรมแล้วมันเหมือนอึดอาดแต่ฮะเจ้าอาวาสนั้นเราอยากสงบออยากดีะพุทโธไม่เคยทําให้ใครอื่นอันหรอกแต่ความโลภทาให้อึดนั้ดกับนวัตกรรมครับหลวงพ่อผมฝึกโดยวิธีใช้วิธีดูกายดูใจครับอืม มันยังบังคับมากไปนะนพอทำให้ดูมีการบังคับอยู่บ้างรู้สึกไหมใจมันทื่อๆอยู่เพราะนเวลาที่เรารู้เนี่ยมันยังไม่เป็นธรรมชาติทีเดียวปล่อยการบังคับไปให้จิตมันเป็นธรรมชาติให้จิตมันเหมือนคนที่ไม่ได้ภาวนาเราต่างกับคนที่ไม่ภาวนาอย่างเดียวเองอะ คือเรามีสติตามรู้ไปคนที่ไม่ภาวนานะจิตก็เป็นธรรมชาติแต่ไม่มีสติของเรานักปฏิบัติมีสติแต่จิตไม่เป็นธรรมชาติกลับข้างกันเพราะฉะนั้นเราให้จิตมันทํางานไปตามธรรมชาติธรรมดาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วอันนั้นเป็นธรรมชาติของมันเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวไปคิดนั้นเป็นธรรมชาติของมันแต่เรามีสติจิตสุข ก, ก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีจิตชั่วก็รู้ โดยที่ไม่เข้าไปแทรกแซงประครับประคองจิตของโยมอย่างแทรกแซงจิตอยู่ไปทําจิตให้นิ่งมันยังควบคุมจิตอยู่หลวงพ่อบอกให้อย่างนี้แล้วไปค่อยๆสังเกต น, นะว่าทําไมหลวงพ่อบอกอย่างนี้ไปค่อยๆดูเอาถ้าดูได้มันก็ผ่านเดีนะ๋ยวก็ไปเจอปัญหาอื่นก็ว่ากันใหม่จิตที่ดีที่สุดคือจิตตอนที่ยังไม่ได้ภาวนาจิตตอนที่เป็นเด็กอ่ะ ตอนที่ยังไม่รู้จักการภาวนาจิตตอนที่เป็นเด็กเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้จิตตอนที่เป็นเด็กเป็นธรรมดามกระทบอารมณ์แล้วมีฟีแดแบตมีปฏิกิริยาตามธรรมชาติของเราพอมาเป็นนักปฏิบัตินะกระทบอะไรก็เฉยเฉยเพราะเรารักษาจิตให้นิ่งอยู่เมื่อเราเลยไม่เห็นนะว่าจิตนี้ไม่เที่ยงรักษาเก่งๆนะจะเกิดความสําคัญจิตว่าจิตเที่ยง จิตนี้เป็นตัวเรารักษาได้ควบคุมได้ไเพราะฉะนั้นพวกฤาษีชีไพร์เนี่ยะจะรู้สึกว่าจิตเป็นอนัตตาเอารู้สึกาบังคับได้ในขณะที่พระพุทธเจ้าสอนจนเราเห็นว่าจิตเองก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้แต่ฝึกได้คนละแบบกันบังคับไม่ได้แต่ฝึกได้อย่างเราบังคับหมาบังคับแมวให้ทําอย่างโน้นอย่างนี้นะบังคับไม่ได้จริงแต่ฝึกให้มันทําได้ อย่างฝึกเสือให้กระโดดรอดบวงไฟอะไรเงี้ยฝึกได้พามันโดดได้ก็ให้รางวัลอะไรเงี้ยใป็นการฝึกจิตนี้ก็ฝึกได้แต่จิตนี้เป็นของบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้แต่ฝึกได้เขาบอกว่าเมื่อเมื่อสิบปีที่แล้วเขาเคยภาวนาดูดูลมหายใจนะคะแต่เขาไม่ได้สนใจการภาวนาเท่าไหร่แต่เมื่อมาสองปีที่แล้ว มีวันหนึ่งเขาเดินออกไปข้างนอกแล้วเขาก็ไปเจอแมลงมุ ม, มเจอคนที่ไม่ชอบอะค่ะแต่ใจเขาเนี่ยไม่มีปฏิกิริยาไม่ให้ค่าเลยเขาก็เลยอยากถามหลวงพ่อว่าสภาวะนี้มันคืออะไรแล้วก็ขอคําแนะนําเรื่องการภาวนาคือมันติดนิ่งสิมันบังคับจิตมันฝึกจิตจนกระทั่งจิตมันไม่กระดุกกระดิกเลยเจออะไรก็เฉยเจอของน่ากลัวก็เฉยเจอของที่ควรชอบก็เฉยเฉยตลอดชีวิตเลยเพราะเราไปล็อกจิตไม่ให้ทํางาน ตรงนี้วิธีแก้นะแจะแก้ยากนิดนึงวิธีแก้เนี่ยให้ย้อนกลับมาดูที่ร่างกายเราดูในร่างกายตัวเองแล้วคิดพิจรารณาร่างกายไปทีละส่วนทีละส่วนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรเนี่ยคิดพิจารณาไปเรื่อยๆเพื่อให้จิตมันเคลื่อนออกไปทํางานให้จิตมันเคลื่อนไหวออกไปทํางานถ้ารักษาจิตให้นิ่งเฉยๆเนี่ยอะไรมากระทบก็เฉยๆไปหมดอันนั้นผิดธรรมชาตินะ เพราะน้นพยายามมาคิดพิจารณาอยู่ในร่างกายเนี่ยผมของเราก็ไม่เที่ยงนะตอนนี้งอกออกมาแล้วทีแรกก็สั้นต่อมาก็ยาวต่อมาก็หลุดออกไปอะไรเงี้ยหรือพออายุเยอะขึ้นผมก็เปลี่ยนสีไปอะไรเงี้ยพิจารณาไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรอกผมพอหลุดออกจากร่างกายเราเราก็ไม่ถือว่าเป็นตัวเราแล้วะขนอย่างขนคิ้วขนตายอะไรเงี้ยพอหลุดออกไปแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราแล้ะ ค่อยๆคิดพิจารณาร่างกายไปทีละส่วนอย่างฟันเนี่ยเราบอกเป็นฟันของเราพอฟันมันหลุดออกไปแล้วฟันก็ไม่เป็นตัวเราแล้วค่อยๆดูไปทุกส่วนในร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกคิดพิจารณาไปแล้วจิตมันจะทำงานออกมานะจะหายจากที่ติดนิ่งๆอยู่ติดนิ่งๆอยู่จะไม่เดินปัญญา ต, ต่อตรงที่คิดพิจารณานี่เป็นอุบายเพื่อให้จิตเคลื่อนไหวยังไม่เป็นวิปนะัสสนา ต, ต้องทำตรงนี้ก่อนเพื่อให้จิตเคลื่อนไหวได้ถ้าจิตไม่ยอมเคลื่อนไหวไม่มีปฏิกิริยาต่อทุกสิ่งทุกอย่างเราจะภาวนาต่อไม่ได้อยู่ที่ไหนอย่าคิดเดยอะนะคนเนี้ยอย่าคิดเดยอะนมัสการครับหลวงพ่อตอนนี้ก็ดูร่างกายหายใจแล้วก็ดูจิตที่อะไรไปคิดอยู่ครับอืมขอคําแนะนําครับ ไม่คิดอะไรเยอะดูมันไปนะเป็นคนดูเรื่อยๆไปมันยังเชือการคิดอยู่สังเกตไหมครับผมมันจะชอบไปพิจารณาเราไม่พิจารณาแล้วในขั้นนี้ครับพิจารณาตัวองขั้นของคนโน้นเขาขั้นที่จิตมันติดนิ่งตอนนี้จิตเราไม่นิ่งเราก็ดูเขาทำงานเขาเปลี่ยนแปลงไปปัญญามันล้าไปครับผมนึกออกไหม อเออนั่นแหละปัญหาของเราปัญญามันล้ำไปนู่นข้างหลังเอา้านูน่นชื่ออะไรใช้ลอยไปแล้วกับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะของคำชีแ้แนะค่ะ อ, อ๋อว่าไงอ่ะพยายามบริการมแต่ว่าหลงค่อนข้างบ่อยอะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นสภาวะหลงบ่อยหรือหลงนาน หลงนานด้วยค่ะไหลงนานน่ะไม่ดีหลงบ่อยดนะีจิตดีขึ้นนะจิตมันสบายขึ้นรู้สึกไหมมันสงบมันสบายมากขึ้นแต่เราไม่ได้เอาตรงนี้จิตสงบก็รู้มันฟุ้งซ่านขึ้นมาก็รู้นะสังเกตไปเไรื่อยๆจิตสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างสุขบ้างทุกบ้าง ดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆกำลังยังไม่พอเนะงั้นทุกวันต้องทำในรูปแบบนะพุทโธไปหายใจไปอะไรก็ทำไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างไม่ได้ทำเพื่อให้สงบหรอกแตาทำไปเรื่อยๆจิตมันจะมีแรงขึ้นมาถ้าทำเพราะอยากสงบมันจะไม่สงบหรอกมันจะฟุ้งซ่านงั้นแบ่งเวลาไว้ปฏิบัตินะแล้วก็ภาวนาไป จิตไม่เข้าฐานดูออกไหมขณะ น, นี้จิตกว้างๆออกไปดูออกไหมเออพุทโธไว้นะพุโทนะพโธหายใจไปเดี๋ยวจิตได้กลับบ้านตอนนี้จิตไปโล่งไปว่างอยู่ข้างนอกสบายอย่างเดียวนะไม่ดีจาได้ไหมหลวงพ่อสอนจับจับได้ยังจับประเด็นได้ยังหลวงพ่อให้ทาอะไรให้แบ่งเวลา เออให้แบ่งเวลาไว้ปฏิบัติน ะ, ะแล้วก็ทำกรรมฐานน่นหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันวิ่งออกไปอย่างจิตมันออกข้างนอกก็รู้แค่รู้นะไม่ดึงคืนนะแล้วเราก็พุโทโธของเราไปหายใจของเราไปเรื่อยมันจะเข้ามาไม่เข้ามาเรื่องของมันไม่ดึงแต่แค่ทํากรรมฐานไปแล้วก็รู้ทันว่าจิตอยู่ข้างนอกเดี๋ยวมันก็เข้ามาเองแล้วจิตจะได้มีแรงนะจิตยังไม่ค่อยมีแรง มันสบายลูกเดียวโอ้ปฏิบัติในรูปแบบครับปฏิบัติตามคําแนะนําที่หลวงพ่อให้แก้ไขมาโดยตลอดผมเห็นสภาวะการเกิดดับของลูกนางผมเห็นไตรักรโดยเฉพาะหน้าตาผมเห็นจิตที่บังคับไม่ได้แล้วผมก็เห็นสภาวะอารมณ์ภายนอกที่มากระทบผมเห็นจิตผมมันไม่ปนเปื้อนกับสิ่งที่เข้ามากระทบอืมผลลัพธ์ที่ได้คือจิตใหม่เป็นกลางมากขึ้นอืมดีแล้วผมก็เห็นความสงบ มันมันเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาโดยที่ mm. ที่เราไม่ได้เจตนาครับอันนี้ออผมทำถูกต้องหรือเปล่าครับทำถูกแล้วแต่ยังไม่เห็นอยู่ตัวหนึ่งผมไม่มีรู้สึกไหมตอนที่เราพูดผมอย่างนี้ผมอย่างนี้นะใจเรามีผมอย่างแน่นแฟนดูออกไหมตรงเนี้ยครับมันมีความรู้สึกว่ามันมีเราอย่างแน่นแฟนอยู่นะยนั่นไปดูกระทั่งผมก็ไม่มีเหมือนกัน มีแต่สภาวะทั้งหลายเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปตัวเราไม่มีีนะ่ดูตัวนี้นะมันเห็นทุกตัวแล้วล่ะมันสงวนตัวเดียวคือตัวเราเอาไว้เท่า น, นั้นเองสมาธิผมเช้ได้ไหมครับสมาธิก็มีแรงอยู่นะจิตก็ยังมีแรงอยู่นะไปสังเกตเถอะไอ้ตัวผมมันไม่มีหรอกสังเกตไหมความรู้สึกทั้งหลายร่างกาย ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราเลยนะเกิดดับเปลี่ยนแปลงแต่มันมีความเชื่อลึกๆเลยว่ามีผมหยุดแก้ไข ย, ยังไงเขาบระาจรยรู้ทันรู้ทันว่าตอนนี้กำลังหลงว่าผมอย่างน้นผมอย่างนี้อยู่ตัวนี้ถ้าไม่เห็นนะมันจะกลายเป็นมานาอัตตาะจะเป็นมานาอัตตาจุดอ่อนก็คือต้องระวังเรื่องของสมาธิ เพราะปัญญาเรามากนะปัญญาของเรามากถ้าปัญญาล้าไปแล้วสมาธิไม่พอเนี่ยมันจะฟุง้งจะฟุ้งในธรรมะเวลาที่ฟุ้งในธรรมะแล้วเนี่ยมานะอัตตาจะยิ่งแรงจะรู้สึกกูเก่งกูดีอะไรเงี้ยค่อยๆดูไปนะภาวนาใช้ได้นะภาวนาดีเชละนี่หลวงพ่อสอนกรรมฐานที่ยากขึ้นไปอีกเห็นไหมทุกตัวไม่ใช่เราแล้วละ่ะ แต่ไอคนที่ดูอยู่เนี่ยมันเราแล้วมันยังเชื่อว่าเป็นเราอย่างแน่นแฟนอยู่ขอบคุณครับอยู่ที่ไหนเอ่ยที่นี่ค่ะปกติปฏิบัติจะเป็นตามช่องตามที่หลวงพ่อบอกอยู่แล้วก็คือว่าช่วงที่ไม่ได้คิดก็จะปฏิบัติทั้งวันพอดีมีวันนึงเพิ่งเมื่อวานนี้เจ้านายตามไปดา่า ก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์พอตอนขึ้นมอเตอร์ไซค์ก็ดูจิตเคลื่อนตามปกติคือช่วงระหว่างจะไปก็เห็นตอนแรกก็มีเห็นความกลัวนู่นนี่เสร็จเรียบร้อยปั๊บมันก็ขึ้นมาว่าที่ความที่จิตมันเป็นสภาวะสั่นแบบเนี้ยเพราะมันมีเราอืมพอเราดับปั๊บไอ้ตัวไอ้ตัวเนี้ยมันดับไอความกลัวดับ เราก็เห็นว่าโอเคงั้นก็เอาก้อนธาตุไปให้เจ้านายด่าละกันไม่เป็นไรเจ้านายกระดาก้อนธาตุไปอื <c oughs> แต่ปกติเวลาเห็นว่ามันไม่มีเราเนี่ยมันดับกว่านี้รอบเนี้ยมันมีเวทนาบางตัวมันเหมือนมีวิบากบางตัวยังสั่นอยู่ข้างล่างเบาๆอ <c oughs> ดูตัวนั้นไปเรื่อยๆนะคะระหว่างที่เจ้านายด่า <c oughs> ก็เลยก็เลยเหมือนแกกระดาไปเราก็เราก็ดูจิตของเราไป <c oughs> แต่อีตัวเบาๆนี่แมันแปลกตรงที่ว่าเอ๊ะมันเป็นวิบากที่มันเหลืออยู่หรือจิตไม่ถึงฐานตัวนั้นไม่ใช่จิตนะไอตัวที่สั่นๆนจิตเป็นคนรู้ไอตัวนั้นถูกรู้แล้วตัวนั้นเป็นวิบากถูกแล้วถูกแล้วนะคะออแล้วจิตลงถึงฐานหรือเปล่าก็าปกติอย่างปกติตอนผ่าตัดหมอเขาผ่าสดเขาผ่าใส่ยาชาไม่ได้ จิตดูไปเฉยๆอย่างเงี้ย ม, มันสดชื่นกว่านี้คือมันมันมันเจ็บแหละแต่ว่าจิตเราไม่ไปคล้องกับกายที่มันหมอเขาก็ทําไปหมอเขาก็ถามว่าคุณไม่เจ็บแล้วคุณไม่โดนยาชาเลยฉันเช็ดสดนะเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นอื ม, มันสดชื่นกว่านี้มันสว่างกว่านี้หลวงพ่อแค่ไหนแค่นั้นไม่ใช่ว่าต้องแค่นั้นแค่นี้รู้อย่างที่มันเป็นแค่นั้นพอละภาวนานดีขึ้นนะ คุณคพยายามรู้ไปได้มีข้อเสียก็คื อ, อตัวรู้เนี่ยมันนิ่งเกินไปมันยังมีตัวนิ่งๆอยู่รู้สึกไม้มขณะนี้จิตเราไม่ได้เป็นธรรมชาติทีเดียวมันยังมีความสงบมีความนิ่งมีความสบายอยู่ในตัวเองนิ่งๆอยู่มันเหมือนมันหนีหลบไปในในช่องหนึ่งอะคะ่ะนั่ น, นแหละออกมา ทั้งออกมาแล้วจะทุกขนะ์นะ ต, ตอนแม่ตายไม่ร้องไห้เลยค่ะมันหลบเข้าช่องนี้มายาวจนถึงเดี๋ยวนี้แล้ค่ะออกมาได้แล้วค่ะเราอยู่ในหลุมหลบภัยนานแล้วนะดิสังเกตไหมตอนที้เริ่มออกมาแล้วเห็นไหมว่ามันมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วเริ่มสั่นแล้วค่ะนั่นแหละปล่อยไปมันไม่ใช่ตัวเราสังอันเดียวมันจะสั่นเกาสั่นไปเราเป็นคนดู ถ้าเราล็อกอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆไปนะไม่ดีน ะ, ะถ้าออกมาเมื่อไหร่เนี่ยวีนเลยนะเพราะามันติดความสงบอยู่ข้างในพอเราหลุดออกมาจากความสงบภายในเราอยาละวาดเลยต อ, อนนี้เข้าถ้ำนะคะหลวงพ่อมันนีเข้าถ้ำดูออกหรยังว่ามันเข้าไปอยู่ในถ้าเมื่อกี้นะเนี่ยเออดีฉลาดนวัตการมขอบคุณเจ้าค่ะถ้าเนี่ยเอาไปใช้ตอนจวนตัวนะเหมือนเต่านะ วันหนึ่งเต่าหดอยู่แต่ในกระดองเต่าก็อดตายนะมันจะหดเข้ากระดองต่อเมื่อมีภัยตอนเราสู้ไม่ไหวก็ค่อยหดเข้าไปตอนมีกําลังตอนปกติอย่างเงี้ยก็ออกมานะออกมาหากินหากินอะไรนะก็ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปแล้วก็จะได้อ่านกายอ่านใจของเราคนสุดท้ายอยู่ไหน เออว่าไปกราบเจ้าอาตพหลวงพ่อครับก and ็ผมมาปีที่แล้วอ่าผมไม่สบายหลวงพ่อบอกว่าไม่สบายก็ปฏิบัติได้นั่งปฏิบัติได้ออืนอนก็ปฏิบัติได้อืผมก็เลยปฏิบัติตามหลวงพ่อครับพอดีเวลาเข้านอนเนี่ก็บางทีสวดมนต์ก่อนแล้วก็นั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีต่อไปก็นอนปฏิบัติครับ ทั้งช้าทั้งเยนง็นทำแบบนี้แล้ววันนี้ดูตัวไหมว่าดีขึ้นอะ่ะก็สบายใจขึ้นครับนะที่ฝึกใช้ได้นะฝึกต่อไปเรื่อยๆรนะครับแล้วก็คอยรู้เท่าทันไปร่างกายเนี้ยเป็นของที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวนะไม่นานเราก็ถอดทิ้งเคยเห็นตัวปูใสชวนในนั่นไหมที่มันอยู่ในเปลือกหอยอถึงเวลาหนึ่งมันก็ทิ้งเปลือก ร่างกายนี้ก็เหมือนเปลือบถึงเวลาหนึ่งจิตเราก็ทิ้งมันมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของหน้ารักน้าห่องแขนดูลงไปในร่างกายนี้ไม่ควรยึดถือนะจะได้พัฒนาต่อไปอีกอพอสมควรนะชินกลับบ้าน